อ้าพากันตั้งใจวันนี้นะจะพูดธรรมะให้ฟังเรามาอยู่รวมกันในวัดวาอารามก็จําเป็นต้องพูดธรรมะสู่คนฟังให้ธรรมะมันซึมซาบเข้าสู่จิตใจผู้ใดมีธรรมะซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้ว ผู้นั้นก็ได้ความสงบความเย็นใจผู้ใดไม่มีธรรมะซึมเศ้าเข้าสู่ใจกิเลสมันก็เขาเอาเดือดร้อนอยู่ไม่เพลยงสุขร้อนอะไรมันจะเท่าร้อนกิเลสตัณหาร้อนกิเลสตัณหานี่มัน พาไปสู่ทุกข์พาไปตกนรกพาเป็นเปรตพาเป็นอสุรกายพาไปกเกิดในกำเนิดสัตว์ดชั้นร้อนกิเลสแร้อนแดดนี่เอาลมมากันแล้วก็ยังส บ, สบายไปร้อนกิเลสตัณหานี่ถ้าบุคคลมีธรรมะเข้าไปสู่จิตใจแล้ว มันก็เย็นลงได้ธรรมะไม่เหมือนกับน้ำกิเลสเหมือนกับไฟทีนี้ไฟลุกขึ้นมาแล้วเราเอาน้ำไปดับลงเช่นอย่างาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาเราเจริญเมตตาขึ้นมาแทนเมื่อความปรารถนาที่จะให้ สัตว์ทั้งหลายเป็นฉุกทั่วหน้าเกิดขึ้นในจิตใจแล้วความโกรธนัน้นก็บรรเทาว า, างลงไปอย่างนี้นะนั่นแหะเพราะฉะนั้นถ้าตุธรรมะนี่ถึงชื่อว่าเหมือนกับน้ํานะกิเลสเหมือนกับไฟความโรคก็เหมือนกันเมื่อมันโรคพอๆแล้วจิตใจกะระโจนพรมันอยากไล่ไหล เมอยากได้แล้วไม่ได้สมหวังก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่ยังเป็นเหตุให้ ท, ทําทุดจิตทุดจิตไปต่างๆ น, นานานอกศีล น, นอกธรรมนอกธรรมนอกวินัยออกไปก็เพราะความอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิน้นสุดนี้แหละให้พากันเข้าใจแม้เป็นครือข่าผู้ครองเรือนก็เหมือนกัน เมื่อปล่อยความโลภครอบงำจิตใจมากๆแล้วความอยากมันก็ท่วมท้นจิตใจทำให้ใจนั้นใช่กายทำใช่วาจาพูดแสวงหาในสิ่งที่ต้องการปรารถนาเมื่อมันแสวงหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วมันก็แสวงหาไว้ในทางสุจริต เพราะความอยากนะมันบังคับจิตใจไม่ให้กลัวบา ก, ล, กลัวกรรมเวรอะไรเลยอย่างนี้แหละอลิสเดชของกิเลสนะให้พากันเห็นโทษของมันอย่าไปสะสมให้มันมากเกินขอบเขตผู้ไม่โลภขอความว่ายินดีในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้ ด้วยความหมั่นความขยันได้มากได้น้อยเท่าไรเราก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่ทะเยอะทะยานอยากได้ของเขาเมาเป็นของเราห้ามจิตของตนให้ได้โดยที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเมื่อตนทําความดีมาแต่ก่อนน้อยไป มาชาตินี้มันก็ให้ผลตามน้อยเขาทําความดีมาแต่ก่อนมากเช่นเขาให้ทานมาแต่ชาติก่อนมากกว่าเราอย่างนี้นะผลมันมาอํานวยให้ในชาตินี้เขาก็รวยมั่งมีสีสุขได้อย่างงไไ่ายดายเพราะผลบุญแต่ก่อนนั้นมันตามมาอํานวยผลให้เมืม่อบาคคนมารู้ แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็บรนเทาความโลภลงได้ก็ยินดีในปัจจัยที่เจ้าของหามาได้มีน้อยก็ใช้จ่ายจำน้อยมีมากก็ใช้จ่ายตามมากทำได้อย่างนี้มันก็สบายใจดี น, นี่เรียกว่าเป็นคาสอนของพระพุทธเจ้านะทรงสอนให้พุทับริษัทปฏิบัติทำอย่างนี้ น้อมเอาสันตุถีธรรมเข้า ไ, ไว้ในใจคือว่าให้ยินดีตามมีตามได้นี่นะนี่แหละถ้าเวนวสุนติสันตุถีธรรมน้อมเอาทำหล่อ น, นี้เข้าไว้ในใจนะครับมันกับวันเทาเสียซึ่งความโลภความะเยอยดสยานต่างๆลงได้อันนี้นให้พากันเข้าใจต้องบำเพ็ญธรรมะอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจ ไม่ว่านักบวชหรือเครือขันอันธรรมะนี่ต่างคนต่างปฏิบัติเหมือนกันหมดอืไม่ใช่ว่าปฏิบัติแต่นักบวชเครือขันไม่จําเป็นเพราเป็นพวกครองเรือนต้องเสวงหาอะไรตอกอะไรมากมายนั่นแหละเครือขันนั่นแหละยิ่งต้องการมีคุณธรรมเหล่านี้ไว้ในใจมันจึงไม่เดือดร้อนใจมาก เมื่อเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนพอนึกถึงว่าฐานานาบุญของตนกับของเขาเทียบกันเขาเขาสูงกว่าเราเรานั้นมัวมองประมาทแต่ชาติก่อนไม่ได้ทําความดีไว้มากก็เมื่อความดีมันอํานวยผลใ้เท่านี้เราก็ยินดีเท่านี้ไปก่อนแต่ชาตินี้เราพยายามทําความดีให้มากขึ้นไปให้เต็มความสามารถอืม พยายามฝึกกายวาจาใจของนให้ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าถ้าฝึกให้ตรงตามคำสอนได้แล้วบุคคลชื่อว่าไม่ได้ทำบาปทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีให้สำเร็จเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนังนั้นแหละ การมีคุณธรรมอยู่ในใจนี่นะจึง่อว่าเหมือนเรามีเราเรามีสมบัติอันล้ำค่าไว้ในตนทันว่ารับภายในรับภายในนี่ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจรลักเอาไปก็ไม่ได้ติดสอยห้อยตามบุคคลไปทุกแห่งทุกหนเช่นศีลอย่างนี้นะ ผู้ใดรักษากายวาจายบริสุทธิ์ปราศจากโทษที่พระเจ้าทรงบัญญัติห้ า, ามไว้นั้นแล้วอย่างนี้มันก็เป็นศีลสมบัติติดตัวไปทุกแห่งรงหนเลยป้องกันอับายภูมิทั้งสี่ตายแล้วไม่ให้ไปตกนรกเป็นต้นนี่คนมีศีลสมบัติอยู่ในตนนะมีศรัทธาสมบัติอยู่ในตน เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่อพรำประลาไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวที่เล่าลือต่างๆนา น, นากันเม า, านั่นซึ่งที่สุดความจริงไม่ได้เลยแต่ก็เชื่อกันไปอย่างงมงายอย่างนี้ผู้เป็นบริษัทของพระเจ้าไม่ควรที่จะงมงายอย่างนั้นเพระองค์เจ้าสอนให้เราเชื่อต่อการกระทําของเราเอง แต่ในภาษาบาลีท่านเรียกว่ากรรมถ้าว่าเป็นภาษาไทยเราตรงๆก็เรียกว่าการงานที่บุคคลจะพึ่งทานี่นั่นแหละทีนี้บุคคลไปจับการงานอันมีโทษลงไปมันก็เป็น <c oughs> บาปอาคุสนะวันนี้นะในชื่อว่าเป็นผู้ทาบาปอาุศลเช่นชาวประมงอย่างนี้นะ ได้จับอาชีพอันนั้นได้แต่ละวั น, นก็ไปเที่ยวจับไปสัตว์หังอาหารชีวิตของสัตว์ไม่เว้นแต่ละวันอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกายยักษ์คำอันเศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยบาปด้วยโทษแล้วเช่นนี้เราจะไปโทษใครแล้ววันนี้นะเราจะโทษผีสางนางไหมก็มาทำให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรอย่างนี้ มันไม่สามหาตนต่อของการกระทำของตัวเองนี่คนเราไปเชิดปรำประลาต่อสิ่งภายนอกนู้นบั ท, ทีตัวไปเบียดเบียนสัตว์นั่นไปทำลายชีวิตสัตว์ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันตัวนี่ไม่นึกเลยว่ากรรมนั้นมันตามสนองตนน่ะนั่นแหละคนเรามันเข้าใจผิดไปนึกว่าตนทาอย่างนั้นนะเบียดเบียนสัตว์ถึงขนาดนั้นนะแล้วจับไม่มี กรรมชั่วอะไรตามสนองเกิดไปชาติใดตนก็จะมีความสุขความเจริญไปขั้นเผื่อว่ากรรมชั่วมันตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเข้าเอาแล้วทีนี่หาที่พึ่งทางใจไม่ได้เลยอฉะนั้นก็จึงได้วิ่งหาหมอดูหมอเดาไปจึงได้ให้ญาตทพี่น้องไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สมมุติกันขึ้น ยกหิ่งยกหอขึ้น อ, รระอะไรสารก็บคุมอะไรหมดนี่นะนั่นแหละคนไม่พิสูจน์ดูการกระทําของตัวเองมันก็เป็นเช่นนั้นแหละขอให้เข้าใจค้นผู้ใดามาพิสูจน์ดูการกระทำของทุกตนแล้วเมื่อรู้ว่าตนไม่ได้ทําชั่วเว้นแล้วตนเว้นกรรมชั่วทั้งปวงแล้วอย่างนี้นะมันก็ได้ความอุ่นใจเนี่ย เราแล้วกรรมชั่วไม่มีอยู่ในจิตใจของเราแล้วไอ้ที่เราล้มหลงทามาแต่ก่อนเราก็อธิษฐานใจละมันไปแล้วเราไม่ทำมันอีกต่อไปอย่างนี้เนะี่ยผู้ใดอธิษฐานใจมั่นลงไปอย่างนี้แล้วก็ได้ความอุ่นใจที่ไม่เดือดร้อนใจเลยเมื่อนึกถึงพร้อมตายมาอย่างนี้เมื่อตนตายไปแล้วตนจะไป สวยทุกหรือสวยสุขเนาะอย่างนี้มันไม่เด็กลำพึงนล้วบ้านี้อย่างนั้นนะเพราะว่าตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี่ยมาชำระกายวาจาใจงสนให้บริสุทธิ์จากบาทจากโทษอยู่แลเห็นชัดโดยปัญญาตาใจของตัวเองอยู่เช่นนี้นะมันก็พยากรณ์ตัวเองได้เลยว่าตายแล้วเราไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอนมีสุขติเป็นที่ไป มันก็พยานคนตัวเองได้เช่นนั้นจึงไม่เดือดร้อนนะคนนะ่ะเมื่อเห็นกายว่าจาใจเขาตนบริสุทธิ์จากบาปจากโทษอยู่อย่างนี้นะเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้นะเข้าไปหาเจ้าหน้าที่หาตํารวจทหารก็ไม่ต้องกลัวไม่กลัวอะไรเลย เพราะาภัยหาเขาเขาก็ไม่จับเพราะตนไม่ทำผิดกฎหมายอะไรเลยอืแต่ถ้าคนไปทําผิดกฎหมายเขาแล้วจะเข้าไปหาเจ้าหานายกลัวแล้วอืมกลัวกลัวเขาจะจับตนไปฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นสารติดคุกติดตารางอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันนั่นแหละคนเราเมื่อมีบาปเครื่องเศร้าหมองอยู่ในใจเราแบบ น, นี้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงวันนี้ก็มานึกถึงเผื่อว่าตนตายไปนี่จะยังไงเนาะตนทำบาปมาบาปนี่จะนำตนไปสู่ทุกข์ในนรกอบไยภูมิหรือไงเนอะมันวิโกวิจารไปแล้ววันนี้พ อ, อวิโทวิจารไปเท่าไหร่ก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมชัว่วเหล่านั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่แหละบุคคลผู้ทาบาป มาแล้วไม่รู้สึกตัวนะไม่ตั้งใจละเว้นอนะ่ะเวลาเก็บดักสวมงก็มันลึกเสียใจในภายหลังนี่เรานี่ยมัวได้ทำบาปอย่างน้นอย่างนี้เราคงจะไปพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารนี่แล้วให้คิดดูคนเราเราเป็นชาวพุทธนะ้วเราก็ต้องเชื่อบุญเชื่อบาปนี่เลยเป็นอย่างนั้น ดัง น, นั้นถ้าผูใ้ใดแน่นอนแหละทุกคนเกิดมาเมื่อยังไม่รู้คําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันก็ตรงหลงไหลทําบาปบ้างมากบ้างน้อยบ้างออย่างนี้แต่ว่าบาป ท, ที่ทํานั้นเป็นละหุ ก, กรรมเป็นกรรมเบาไม่นักไม่ใช่อนันตริยกรรมคารุกรรมกรรมหนักได้แก่อนันตริยกรรม เช่นข้ามารดาบิดาเป็นต้นนันที่เคยพูดมาอันนั้นแท้บุคคลจะทำความดียังไงยังไงก็คนจากผลแห่งกรรมหนักอันนั้นไม่ได้เลยตายแล้วก็ต้องไปตกอเวจีมานรกแน่นอนอันนี้บาปกรรมนอกนั้นน่ะมันเป็ น, นหนูกรรมกรรมเบากรรมเบานี่เมื่อบุคคลรู้สึกตัวแล้ว เห็นโทษแห่งการทำชั่วอย่างว่านั่นแล้วอธิษฐานใจแลละเว้นเลยบัด น, นี้ตอนน่อไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้นะอธิษฐานใจเสมอเสมอไว้พระภาวนาอธิษฐานใจเสมอไปมันี้เมื่อกิตเราไม่ชอบบาปกรรมเรานั่นแล้วอธิษฐานใจละอยู่ทุกวั น, นบาปกรรมนั้นมันก็หมดไปหมดไปเท่านั้นเองเพราะมันไม่หนักหนา เมื่อบุคคลเห็นโทษของมันเมื่อใดแล้วรู้ตัวแล้วอริษฐานใจล้วมันก็ดับไปเหมือนอย่างไฟกองเล็กๆอย่างนี้เนี่เราเอาน้ําพอประมาณนี้ไปดับเก็มันก็ดับได้ถ้าไฟมันลุกโงงกองใหญ่ๆขึ้นมาแล้วแม้จะเอาน้ํามากเท่าไรไปดับมันก็ยากวันที่มันจะดับลงได้นี่มันเป็นอย่างนั้นแหะมันก็ไม่วัตถุที่มันไหมอยู่แล้วให้เป็นเท่าเป็นฐานลงไป หมดเชื่อเมื่อใดมันจึงดับตรงไปเมื่อนั้นไปอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันในบุคคลผู้ทํากรรมชั่วอย่างหนักลงไปแล้วในเมสจะอธิษฐานละภายในมันก็ไม่พ้นมันก็ตามให้ผลจนได้อย่างนั้นเนี่ยมันให้ผลไปทนทุกทรมานไปนานแท้นานเมื่อมันหมดเขตแทงกรรมชั่วแล้วแล้วน่ะมันถึงพ้นจากทุกข์เหล่านั้นมานี่มันเป็นอย่างนี้กรรมมัน มันมีสองอย่างอย่างนี้ละหุกรรมกรรมเบาคารุกรรมกรรมหนักเมือ่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าตนไม่ได้ทํคารุกรรมคือกรรมหนักเช่นฆ่าพ่อพ่อฆ่ามแม่เป็นต้นนานี้เคยพูดมาบ่อยๆ น, น, นะตอนได้ทําด็กกรรมเบาวันนี้ตนรู้เห็นโทษของกรรมเหล่านั้นแล้วถึงจะเบาหรือหนักก็ตามเห็นโทษ อธิษฐานใจละเว้นลงไปนั่นอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจคือมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมโดยเฉพาะเมตตาตนของตนเองนี่นะปรารถนาจะให้ตนเนี่ยเป็นสุขก่อนคนอื่นทั้งหมดเลยถ้าตนไม่เป็นสุขแล้วจะไปปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ เมื่อตนมีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยบุญด้วยกุสนด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานั่นนะเอเออนั่นแหละเราถึงนึกอธิษฐานขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรเลยวันนี้มีผลดีดังนั้นคำว่าเมตตานะเราต้องเมตตาตนก่อนอื่นทั้งหมดเลยทำอย่างไรตนถึงจะมีความสุขได้ ทีนี้ก็ตนก็ทําแต่ความดีลงไปเพราะความดีคือบุญกุศลเท่านั้นที่จะอาํานวยผลให้เป็นสุขได้นอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาอาํานวยผลให้เป็นสุขอมเราต้องพี่นา้มันเห็นแจ้งชัดโดยตนเองอย่างนี้ลองคิดดูอันใดที่มาอาํานวยผลให้เป็นสุขได้ เงินทองหลือแก้วแหวนหรือสร้อยหูอ่าสร้อยคอหรือตุ้มหูหรือแหวนเพชรหรืออำนวยผลได้เป็นถูกอ่ะไม่เลยไอของประดับทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะมันจะไม่ออำนวยความสุขให้แก่จิตใจมันยังอำนวยความทุกข์ให้ซ้ํากลัวโจรขโมยมันจะมายื้อแย่งเอาไปมันจะมาจี้เอา มันจะมาทุบมาตีเอานี่ก็สะดุ้งอยู่เรนะื่อยผู้ใดมีเครื่องประดับมันมีค่าติดตัวอยู่อย่างนั้นนะ่ะมไม่ไม่ใช่ว่ามันอำนวยความสะดกให้เมื่อไหรนะนั่นแหละทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าเงินทองเข้าของหมูนี่เนะี่ยมันอำนวยความสะดวให้ชั่วคราวแต่ส่วนมากอำนวยความทุดวกให ทุกอย่างไรอ่ะกระทุกในเวลาการแสวงหานั่นแหลโห้ยการแสวงหานี่แสนยากแสนลาบากมันทุนโลกอันนี้นะกลัวจะได้เงินทองเข้าของมาแต่ละอย่างละอย่างต้องอาบนเงือตั้งน้ําไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนเท่าไรแล้วนี่เอเมื่อเวลาแสวงหาอยู่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อได้มาแล้วเป็นทุกข์เพราะการรักษาวบบ น, นี้นะถ้าไม่รักษามันก็หายอย่างจริงนะอา่าวเวลาจะพัดพาจากฟันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วหรือเวลามันสูญหายไปพัดพาจากไปตนก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนี่แหละจึงว่าลองคิดดูให้ให้รอบคอบอยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่จะอํานวยความสุขให้เราได้ ยืย่งยืนสืบต่อไปเป็นสุขสบายไปชัว่วครั้งชัวง่วคราวเท่านั้นเองเมื่อล่าโลกนี้ไปแล้วก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยเว้นแต่เสียเว้นเสียแต่สิ่งใดที่ตนและให้ทานฝากฝังไว้ในพุทธศาสนานีา้สมบัติเหล่านั้นแหละก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นบุญกุศล น, นั่นก็จะเป็นอนุค า, าไม่ดี ติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกหนอืพร้อมทั้งคุณธรรมเช่นฮิริโอตปาธรรมความละอายตอบความชั่วความละอายต่อการที่จะต้องกระทั่งความชั่วในที่รับก็าตามในที่แจ้งก็าตามเอเมื่อมีความละอายแก่ใจอยู่แล้วนะั้นมันทําไม่ได้ความชั่วนะนะถ้าขาดความละอายแก่ใจอย่างว่านะั่นแล้วมันทําชั่วได้เลย ถ้าทำที่แจ้งมาได้ก็ทำที่รับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งบอมเพนคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีในใจของเราทุกคนตั้งความละอายแก่ใจในอันกระทาความชั่วไว้นึกเสียว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่ามีคุณธรรมอันสูงพอสมควรทีเดียวในโลกนี้นะมีเกียตรติมีศักดิ์ศรีอันสูงส่งสงคอน สมควรแล้วหรือที่เราจะไปทำกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าทรงวันยัติธรรมไว้นั้นอ่ะอก็ถามตนสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อมันลึกเข้าไปอย่างนี้มันก็มองเห็นตนนั้นมีศักดิ์ศรีมนุษย์โสไปว่าผู้มีใจอันสูงอยู่ด้วยคุณธรรมคือเมตตากรุณานี่เป็นไปอย่างนั้นนี่ ชื่อของมนุษย์โสนี่นะวันนี้เรามีคุณธรรมเหล่านั้นอยู่ในใจหรื อ, อยังสมกับชื่อแล้วหรื อ, อยังกรวดดูกายวาจาใจของโสนให้ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีนอดตบธรรมอยู่อย่างว่า น, นั่นนะมันก็ไม่ทําคมชั่วแหละคนเรานะหาทางหลีกเลี่ยงจากกรรมมันชั่วชาลาโมกต่างๆ ถ้ามีขันติทรรมอยู่ในใจความอดทนนี้นับว่าเป็ น, นยอดแห่งอานิสงแห่งความดีทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะทำไมยังว่าเป็นยอดกบันดาความชั่วทั้งหลายที่บุคคลจะเว้นได้เพราะความอดทนนี่แหละเมื่อตนยังเว้นมันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะ มันเกิดขึ้นมาในใจเวลาใดอย่างถ้าทนไม่อดไม่ทนมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปทันทีเลยพูดความชั่วทําชั่วไปทันทีอย่างนั้นถ้าผูใ้ใดมีความอดทนอยู่ในใจเมื่อรู้ว่าความชั่วมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็อดกั้นไว้อยู่ในใจนั่นไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเมื่ออดทนได้ กิเลสมันก็ไม่มีกําลังกล้าบอันนี้มันก็อ่อนกําลังลงเมื่อนั้นจึงใช้ปัญญาพิจารณาเอาเรื่องนี้มันชั่วอืให้คนหนึ่งหยิบยกเอามาให้แต่เราไม่รับเอาเราไม่เอาขึ้นชั่วคมชั่วแล้วเราเกลียดอืเพราะมันอํานวยผลให้เป็นทุกข์เมื่อจิตอดทนได้แล้วอย่างนี้ยับยัง้งจิตได้แล้ว มันก็พิจารณาอินทุษแห่งความชั่วเหล่านั้นถ้าหากว่าบุคคลขาดความอดทนแล้วมันก็ไปตอบโต้กับคนที่เอาความชั่วมาให้ตนนั่นแหละไปตอบโต้เอาเลยมันเป็นงั้นทีนี้ต่างคนต่างก็เลยกลายเป็นคนชั่วเหมือนกันเลยไม่มีใครเป็นคนดีเลยทั้งสองฝ่ายเลยนะนี่มันต้องให้เข้าใจถ้าผูใ้ใดนั้น เขาหยิบยกเอาคำชั่วมาให้เช่นคำด่าคำแช่งคำเสียดสีคำดูถูกดูหมิน่นอะไรต่างๆมาแล้ววันนี้นะเราไม่เอาซะแล้วเราไม่ยึดถือเอาไว้เลยเมื่อมันกระทบมาทีแล้วก็อดกั้นนะไม่ปล่อยให้ใจมันุษ้วามไปเนี่นเนะอเขาอดกั้นได้แล้วหยุดยัง้งอารมณ์หรือกิเลสเหล่า น, นั้นลงได้แล้วก็กําหนดใจละมันไม่ถือมันเอาไว้ แล้วก็นึกถึงเมตตากรุณาทำอะไรให้เกิดขึ้นในใจแทนเมื่อคุณธรรมเหล่านี้บังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัานั้นมันก็ถอยออกไปนี่นี่แหละจึงว่าเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่อันกิเลสในจิตใจของคนเรานี้นะไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมาระ ง, งับใดนี่ต่สินจะทำมะทำสอนของพระพุทธเจ้านี่แนะ่ะ จะมาระ ง, งับกิเลสตัณหาในหัวใจของคนเราให้ได้เนี่ยเช่นการทําใจสงบลงไปได้อย่างนี้นะมันก็ระ ง, งับนิวรณทั้งห้าได้อระ ง, งับความรักความชังความพยาบาท ต, ต่างๆความง่วงเหงาหานอนโมนี่ความที่จิตพุ่งสร้างเลื่อนลอยไปความสงสัยลังเลในบาปบุ่คุณโทษอะไรโมนี้นะมันก็ระ ง, งับลงไปได้ เรื่องสมาธินะมันไปนอย่างนั้นนี้มาเมื่อมาเจริญปัญญาเข้าไปถ้าหากว่าเจริญให้แก่กล้าเข้าไปจริงจังมันก็สามารถถอนรักเงาของกิเลสตัณหาต่างๆออกไปได้เลยมันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าถอนไม่ได้หมดมันก็ทําให้เบาบางลงไปอันปัญญานี่นะอมรวมความเรียกว่า เมื่อมาปล่อยวางขันห้านี้ลงไปแล้วไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วมันก็ไม่สร้างกิเลสตัณหาขึ้นในใจมันก็ทำใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสตัณหาลงได้การที่บุคคลจะมาสร้างกิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในใจก็เพราะมายึดถือขันหานี่เนี่ยเป็นเครื่องดำเนินนะ เมื่อไปสำคัญเร า, าันห้าีนเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็เอาแหละมันก็สร้างกิเลสพันหา้าตัณหาร้อยแปดขึ้นมาสรพางสร้างความโลภสร้างความโกรธความหลงขึ้นมาสร้างมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบามตรอะไรต่ออะไรขึ้นในใจอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พากันเข้าใจบทสรุปให้ได้ เมื่อเข้าใจแนวทางปฏิบัติอันรวบรัดอย่างว่าเนี่เราก็มาภาวนาพยายามพงขันธ์หน้านี่ลงวางขันธ์หน้าลงใช้ปัญญาสอนจิตของตนให้มันเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงอย่าไปคิดอย่าไปปรุงแต่งอะไรต่อไปอีกอย่างนี้นะถ้ามันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งมันก็รวมลงได้นะ เมื่อจิตมันรวมลงได้มันก็พงขันห้าลงไว้ได้แม้คงไม่ไม่เด็ดขาดก็เรียกว่าพงไว้ได้ชโชกขาวก็เอาไปก่อนมเมื่อเราพยายามเจริญปัญญาสอนจิตให้รู้แจ้งในขันห้านี่แล้วก็พงก็วางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยภาวนาทีใดนะให้เข้าใจคงวางลงไปแล้วจิตใจมันก็เป็นกลางอยู่อ่ะไม่ยินดีไม่ยินไรกับขันห้านี่แล้ว อันนี้แหละเป็นทางก้นทุกข์ค้นภัยในวัวตาสงสารดังแสดงมาสงควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้